กาละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจกาละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีการใกล้ใกล้แต่กาละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชัวนิรันดรเสมอไป เลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจะตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนรวจากฟ้าวันที่มองหา วินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครงนั้นยังงบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้เว่ามองฟ้าแล้วทงหายใจเมันเราได้พูดกัน ชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครังหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันเรื่องราชีวิต จ, นนจะคว tàn n คืนท า, นทาม ว่าเธ อ, อยังดูแลฉันใกล้ก